เหมือนอย่างว่าพระธรรมฉันใดแม้พระอริยสงฆ์ก็ฉันนั้นพระสงฆ์ไม้ใช่อว่าพระตถาคตเพราะทรงบรรลุธรรมนั้น น, นัพระสงฆ์ก็ชื่อตถาคตเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่อันผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะครับบำเพ็ญข้อปฏิบัติคือสมถะและวิปัสสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องหน้าแล้วจึงบรรลุด้วยมรรคนั้นๆนะครับ คือพระสงฆ์เนี่ยนะครับความที่ท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะครับถามว่าไอ้ข้อปฏิบัติคืออะไรคือสมถะและวิปัสสนาแล้วก็อาศัยศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับกระทำปฏิบัติศีลสมถะวิปัสสนาจนสามารถบรรลุมรรคผลนั้นนั้นวิธีปฏิบัติในลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะครับ อีกอย่างหนึง่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับเชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้และเพราะบอกได้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนัยยะมีสัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะแสดงตามพระพุทธเจ้าได้หมดนะครับอย่างเช่นภาษารีบุตรก็สามารถหมุนธรรมจากได้ตามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเถอะพั้นพระสาวกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเครหอขัดบรนประชิต หรือว่าเทวดาและมนุษย์ก็สามารถหมุนพระธรรมของพระ อ, องค์เนี่ยแสดงธรรมตามแนวที่พระ อ, องค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับคือความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ชื่อว่าตถาคตด้วยเหตุนั้นเท้าสะกะเทวราช จ, จึงตรัสว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ดําเนินไปโดยท่องแท้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีนะครับตถาค คาโต้ณีทัพูตานีสมาคตานีภุ่มมาณิวายานีวานตลิกเขตถาคาตังนะครับเทวมนุษย์ปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวติโหตุนะครับตถาคตังเทวมนุษย์ปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวติโหตุเพราะฉะนั้นคําว่าตถาคตแม้แต่พระสงค์ก็ชื่อว่าตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะพระองค์นั้น เป็นผู้มีพระสงฆ์นั้นเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าพระตถาคตเพราะมีสงฆ์ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นสาวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการเชื่อมต่อโดยนิย่แห่งสรับนะครับแล้วก็มีการเชื่อมหาโดยสัมพันธ์อัตถะเหมือนกันเพราะเหตุอย่างนี้พระองค์จึงทรงพนามว่าพระตถาคตเพราะมีภาวะดําเนินไปโดยท่องแท้นั่นเองแล บทว่าตถาคตแม้นี้เป็นเพียงมุกในการแสดงภาวะที่พระตถาคตทรงดําเนินไปโดยท่องแท้นั่นเองเ น, นะที่ที่ประมาททีปณีท่านบอกว่านี้เป็นแนวทางแห่งการชื่นชมพระพุทธคุณบทว่าตถาคตนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณของพระตถาคตเท่านี้แต่เป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับคร่าวๆหวังงั้นเถอะก็พระตถาคตเท่านั้นนะครับพึงพรรณนาความที่พระตถาคตดําเนินไปโดยท่องแท้ พระธราคตด้วยกันเท่านั้นนะครับจึงจะพูดกันอย่างลึกซึ้งของแท้จริงๆได้จริงอยู่บทว่าตถาคตนี้มีอัตมามากมีคติคติก็คือมีแนวทางการอธิบายเนี่ยมากมีอารมณ์มากนะครับมีสิ่งที่ต้องพันธนาอธิบายเยอะแยะไปหมดพระธรรมกัคคนํนำพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแห่งตรรคตบทนั้นมาเหมือนอัปปมาทบทโดยสมควร นะครับโดยภาวะมีประโยชน์ใครๆไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมกถาถึกเล่นไปโดยผิดท่าเลยเพราะฉะนั้นตถาคตบทเนี่นะครับเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายได้ทั้งหมดเลยนะครับนะเหมือนกับคําว่าอัปปามาทะบทนะครับอัปปามาทนะความไม่ประมาทก็เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายเพราะฉะนั้นพระตถาคตก็เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนั้นท่านกล่าวสรุปเป็นคาถาไว้ว่า พระมุนีทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในปางก่อนคือพระวิปัสสีเป็นต้นนะครับมาถึงความเป็นพระสัพพันธ์อูในโลกนี้โดยประการใดแม้พระสกฤตมุนีก็เสด็จมาโดยประการนั้นเพราะเหตุนั้นพระสกฤตมุนีผู้มีจักสุชาวโลกจึงเฉลิมพระนาม ว, ว่าพระตถาคตนะครับคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหมดเลยพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อน มีพระวิปัสสีเป็นต้นเนี่ยนะครับทรงละมนทินกิเลสมีการเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยสมาธิและปัญญาแล้วจึงดำเนินไปโดยประการใดพระศากยมุนีทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองสเสด็จไปโดยประการนั้นเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงทรงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตคือสเสด็จไปโดยละกิเลสทั้งหมดนะครับละเช่นละอะไรละกามฉันทะด้วยเนคามะ ละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละถีนมิธาด้วยอาโลกสัญญาละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมละอารติด้วยปรามโมทละอวิชาด้วยญานะละนิวรห้าด้วยปฐมฌานละวิตกวิจาร์ด้วยทุติยะฌานละปีติด้วยตติยะฌานละสุขทุกนะโสมนัสโทมัตกรรด้วยจตุทฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาน า, นาัตตะสัญญานะครับ ด้วยอาการสารัญจายตนะละอาการสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนะละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนะละอตตาสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนะละนันทิด้วยนิพพานุปัสสนะละราคะด้วย วิราคานุปัสสนะละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนานะครับละอาานะความยึดถือด้วยปฏินิสคานุปัสสนานะครับพระองค์ก็ดําเนินไปอย่างนี้จนถึงะละสกายทิทิวิจิกิจฉาศีละพระตปรามมากด้วยโสดาปฏิมักละการมาราคาปฏิฆะอย่างหยาบด้วยสกท า, าคามิมักละการมาราคาปฏิฆาอย่างละเอียดด้วยอนาคามีมักละกิเลธ ท, ทั้งหมดด้วย อรหัตตมรกเสด็จดำเนินไปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยชื่อว่าพระธรรมคตอั น, นึ่งพระชินเจ้าเสด็จถึงพร้อมซึ่งลักษณะแห่งธาตุและอายตนะเป็นต้นอันทองแทนะ้ถึงพร้อมคือรู้ลักษณะของขันธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะโดยจําแนกเป็นสภาวะและสามัญะสภาวะของธาตุแต่ละธาตุอาย ต, ตนะแต่ละอายตนะสามัญะมีความไม่เที่ยงเป็นต้น และวิพาคะคือการจำแนกนะจำแนกขันธาริยตนะเนี่ยด้วยพระสยามภูญานคือยานที่ด้วยรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพระสักยะผู้ประเสริฐชาวโลกจึงเฉลิมพันนามว่าพระตะถาคตคือสามารถแยกแยะนะครับเอาทุกขสักเป็นต้นมาอธิบายมาขยายได้อย่างละเอียดละออลึกซึ้งนะครับก็ดูเหมือนในอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับสามารถเอาขันธาริยด ण ะมาแสดงมาขยายโดยวิธีการต่างๆ สัจจะอันทองแท้และอิทับปัจยตาอันทองแท้ที่คนอื่นแนะนําไม่ได้อริยศาสตร์เนี่ยนะครับนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครแนะนําได้นะแต่ที่แนะนําได้ทุกวันเป็นต้นเนี่ยก็เนื่องจากอาศัยแนวทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละแม้กระทั่งเรื่องปฏิจจสมบทเรื่องปัจจัยเนี่ยนะครับไม่มีใครแนะนําได้อันพระธากคดผู้มีพระสมณตจาจักษุทรงประกาศแล้วโดยนยัยด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น พระชินเจ้าผู้เสด็จไปโดยทองแท้อันชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับอย่างนะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาแนะนําได้นะเอาอริยสัจมาแนะนําได้เอาอิทธปัจจยตาเอาปฏิจจสมุป บ, บาทเอาเหตุเอาผลเอาปัจจัยความเป็นไปของชีวิตในสังสารวัฏโดยกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอย่างละเอียดละออลึกซึ้งมาเปิดเผยได้อย่าน ะ, ะน่าคิดนะครับพระองค์ผู้มีสมัญตจกักษุนี่นะครับ มีตาโดยรอบคําว่าตาโดยรอบนั้นเพราะคือพระองค์มีพุทธญาณ14ประการนั่นเองนะครับพุทธญาณสิบสีประการนั้นก็ประกอบไปด้วยนะครับญาณในอริยสัจสี่ญาณในปฏิสัมพิทา4นะครับเป็นแปดแล้วนะญาณในอริยสัจ4ี่ญาณในปฏิสัมพิทาสแล้วก็ญาณอาสาธารณะญาณห น, นะครับความที่พระองค์มีพุทธญาณ14นี่แหละเรียกว่าสมัญตจักสุนะครับ สมัญตะจักสูเหมือนกับที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะทบทวนนะว่าพระองค์มีพระสมัญตะจักสูเนื่องจากมีพุทธญาณ14นะครับคือญาณในอริยสัจสี่ญาณในปฏิสัมพิทา4อาสาธารณญานหรวมเป็นพุทธญาณ14นะครับแต่ว่าอาสาธารณญาณ6นั้นมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนญาณในอริยสัจกับญาณในปฏิสัมพิธานี้ก็ภาษาวกก็สา ม, มารถรู้ได้นะครับ การที่พระชินเจ้าทรงเห็นโดยท่องแท้ทีเดียวในโลกธาตุแม้มีประเภทไม่ใช่น้อยในอารมมีรูปายตนะเป็นต้นอันมีประเภทวิจิตเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีพระสมนตะจักสุชาวโลกยังเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับคือเห็นโลกธาตุเนี่ยนะครับไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเห็นสีเสียงกลิน่นรถเป็นต้นทั้งหมดเลยนะครับ อันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะอย่างทองแท้ทีเดียวหรือทรงกระทําพระองค์ให้สมควรแก่ธรรมะนั้นนะคือแสดงมรรคผลใช่ไหมครับแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติถึงอย่างว่าด้วยทรงครอบงมสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายแม้เพราะเหตุนั้นพระองค์ผู้เป็นผู้นําโลกชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับนะครอ บ, นะบงมสัตว์ทั้งหมดด้วยคุณนะครับ โดยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะครับสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเองนะครับอันหนึ่งพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอันทองแท้โดยประการทั้งปวงนะครับคือรอบรู้หมดเลยนะทรงข้า ม, โ ล, ามรรโลกอันเป็นแดนเกิดข้ามอะไรครับโลกอันเป็นแดนเกิดคือข้ามสมุทัยนะครับปริญญานี้เป็นชื่อของทุกขสัจนะครับแล้วก็ข้ามโลกอันเป็นแดนเกิดคือข้ามสมุทัย ทรงถึงความดับด้วยการทําให้ประจักษ์ความดับนี้เป็นชื่อของพระนิพานและทรงถึงอริยมรรคฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตก็คือมาตรัสรู้อริยศาสตร์นั่นเองนะครับแต่อริยศาสตร์นั้นจะต้องตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยศาสตร์ต้องตรัสรู้ด้วยการข้ามนะครับการข้ามนิโรธศาสตร์ก็ต้องกระทําให้ประจักษ์อริยมรรคก็เจริญ น, นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เลยชื่อว่าพระตถาคต อันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกด้วยปฏิญญาอย่างทองแท้โดยประการทั้งปวงนะคือหมายความว่าที่ปฏิญญาว่าจะมาช่วยสัตว์โลกเนี่ยนะก็ไ ด, ได้ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่านั่นแหละทรงเป็นนาถาคือที่พึ่งของโลกด้วยพระกรุณาโดยประการทั้งปวงเสด็จไปแม้เพราะเหตุนั้นพระชินเจ้าชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตนะครับ คือพระ อ, องค์นี้เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกขน์นะนะตามที่พระ อ, องค์ได้ทรงปฏิญาไว้แล้วก็เป็นที่พึ่งของศัตว์ได้จริงๆแต่ที่ทําทั้งหมดเพราะอาศัยพระมหากรุณาครับเพราะฉะนั้นชาวโลกก็เลยเรียกชื่อพระ อ, องค์ว่าพระตะถาคตนะนะเราหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเป็นต้นนะ น, นะคำพูดที่เปล่งวาจาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีกรุณาเป็นเหตุใกล้มั้งนั่นทนะี่ ถ้าไม่มีการุณากระตุ้นเตือนเป็นเหตุใกล้ก็ยากที่จะเปล่งวาจาออกมาได้พูดภาษาหนึ่งก็คือเราอิ่มแล้วจะให้คนอื่นอิ่มด้วยนะพระองค์นี้ทรงอุบัติแต่อภิชาติอย่างทองแท้เพราะทรงอย่างรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพานามพระตถาคตนะครับเพราะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมนะครับคือหมายถึงพระองค์เนี่ยประสูด ตรัสรู้แสดงธรรมแม้กระทั่งดับขันปรินิพานเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมจริงๆพระมเหสีเจ้าในปางก่อนเหล่านั้นมีประการเป็นอย่างไรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้นตามพอพระไทยเพราะพระองค์นี้เป็นอัครบุคคลนะครับคือทําอะไรอย่างที่พระองค์ต้องการเลยนะครับแต่ไอ้คาว่าต้องการนี่นะครับไม่ได้ทําด้วยอานาจกิเลสนะ คือตามตามความต้องการด้วยอำนาจสติปัญญาเป็นต้นนะครับที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตว์เนี่ยนะตามพอพระไทยของพระองค์นะครับเพราะพระองค์นี่เป็นบุคคลผู้เลิศชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตเพราะมีพระหาไทยเป็นไปตามพระวาจาที่ทรงประกาศนะครับคือกล่าวยังไงพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละมะเหสีนี่แปลว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะครับมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนปฏิบัติตัวมาอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ปฏิบัติมาแบบนั้นต่อไปนะครับว่าการไปก่อนโดยเป็นค่าศึกต่อโพที่สมพานย่อมไม่มีหรือแม้การไปสู่สงสารนั้นก็ไม่มีแก่พระตถ า, าคตผู้เป็นนาถะทิฐิของพระนาถะผู้ทรงเห็นที่สุดพบย่อมไม่มี เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ปราศจากยานอันทองแท้ชาวโลกจึงเฉลิมพานามว่าพระตะถาคตเคย อ, อย่างงี้นะว่าพระองค์นี้นะครับการปฏิบัติบำเพ็ญบารมีธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นค่าศึกต่อการสร้างบารมีเลยนะถ้าเทียบแบบนี้นะครับผมผมกำลังมาคิดถึงที่เรียกว่าคนยุคนี้ที่บอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์นะครับปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นค่าศึกต่อโพธิสมภารมาก นะครับเช่นเช่นเป็นคนที่ล่วงพาพาบริษัทธล่วงละเมิดในศีลทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกโงคก็ต้องบําเพ็ญศีลบารมีนะครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นข้าศึกต่อโ พ, พธิสมภารคือไม่เป็นข้าศึกต่อศีลบารมีเป็นต้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ในยุคนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับ ปฏิบัติทาตัวเป็นค่าศึกต่อศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแล้วก็พระโพธทธศตส์ทั้งหลายก็เน้นให้ทานนะครับเน้นการให้แต่พระโพธิสัตว์ยุคนี้บางคนนะครับเรียกอะไรดะ <c ười> คือเอาให้คนอื่นเขาเอามาให้ดะเลยหมดนะครับเพราะฉนั้นบารมีก็ต้องเอาให้คนอื่นนี่เอามาให้ตัวนะครับจึงจะเรียกว่าทานบารมีแต่ตัวเองเอาไปให้คนอื่นนี่กลับไม่ค่อยมี สมถาวิปสัสสนาก็ไม่เห็นสนใจนะครับหมกมุ่นในเรื่องกามอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปฏิญาณว่าเป็นพระโพธิสัตว์มันตรงกันข้ามหมดเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อโพธิสมภารเนี่ยนะครับท่านจะไม่ปฏิบัติตัวที่เป็นฆ่าศึกต่อบา ร, รมีของท่านนะครับโดยที่ที่ไม่เป็นไปเพื่อทําลายบา ร, รมีท่านแต่ผู้ที่ประกาศในยุคนี้กลับตรงกันข้ามนะครับบางคนนะครับทำตัวที่เป็นฆ่าศึกต่อการบําเพ็ญบา ร, รมีทั้งหมดเลย ใละอย่างบางบางวิชาต้านี่ยท่านเกิดเป็นหัวหน้าโจรบ้างมีเหรอครับมีฮะในชาดกอ่ะเป็นหัวหน้าโจรเป็นหัวหน้าโจรมีจ้ะแล้วก็อย่างเออะไรนะเป็นโชติปารามนุกตอนนี้ก็คัดค้านเฉยได้ไงฮะที่ว่าคือตอนตอนที่ยังไม่รู้ความอตอนที่ยังไม่รู้ความอตอนที่ได้ปาปะมิตรอยู่ครับแต่พอรู้ตัวแล้วกลับใจทันทีเลย แต่ที่ผมกล่าวนี่นะครับที่ที่ผมยกมาคืออ้างตัวแล้วคืออ้างตัวแล้วคล้ายๆปฏิญญาแล้วปฏิญาแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะฉันจะทําเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตว์แล้วก็เรียนพระไตรปิฎกค่อนข้างมากเป็นต้นนี่นะครับแสดงพระไตรปิฎกเป็นต้นนะครับเข้าใจอภิธรรมพอสมควรรู้วิไนพอสมควรแต่ก็เป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดนะครับแต่ว่าในในพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ที่ท่านกล่าวนั้นหมายถึงตอนที่ท่านยังมีปาประมิตรอยู่ นะครับแต่พอท่านรู้ตัวแล้วก็ไม่แล้วครับเหมือนกับโชวิที่ปาระมานพเนี่ยนะครับพอรู้ตัวเข้านะครับก็มาภาคเพียรพยายามใหญ่เลยนะครับทั้งทรงพระไตรวิดกเป็นผู้ที่ยังศาสนาของพระกัสปสั ม, มาสัมพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองต่อไปนะครับแต่นี้แต่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าศ า, าสนาที่ดีๆอยู่แล้วนี่ก็พาสเสละหมดเลยนะครับนะ หรือแม้การไปสู่สงสารนั้นก็ไม่มีแก่ภระตถาคตผู้เป็นนาทะหมายถึงว่าพระองค์นี้พอบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีการไปสู่สงสารโดยการปฏิสนธิในภพใดอีกเลยแล้วก็ทิฏฐิของพระนาทะผู้เห็นที่สุดพบก็ไม่มีหมายความว่าทิฏฐิ62มิจฉาทิฏฐิทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลพัตุปาทานตระกูลทิฏฐิทั้งหลายพระองค์ก็ทรงละได้อย่างหมดสิน้นไม่มีเหลือนะครับ แล้วการดำเนินไปของพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่ทิ้งยานนะครับเป็นไปตามยานคือสัพพัญยุตยานเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าพระตะถาคตแล้วก็ต่อไปว่าพระธรรมอันประเสริฐอันพระมเหสีเจ้าตรัสโดยประการที่ละมนทินที่ควรละเพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับคือ พระธรรมที่พระองค์ตรัสนี่นะครับละมนทินคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้จริงๆนะครับพระธรรมเหล่านั้นนั่นนะเป็นที่สร้างแห่งความเมาเพิกถอนอาลัยได้จริงๆนะครับพระวินัยเป็นต้นเนี่ยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามสามารถกําจัดโลภะโทสะโมหะได้จริงพระสูตรพระิธรรมก็เหมือนกันนะครับแม้พระอริยสงฆ์ของภาษาสดาก็ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยพระธรรมอันประเสริฐนั้นนะครับเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นภาษาว o ของพระองค์ก็ชื่อว่าตถาคตเพราะว่าพรั่งพร้อมด้วยปริยัติธรรมหรือว่าอริยมรรคอริยผลและนิพพานที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนิยยะแห่งการอธิบายพุทธคุณนะครับซึ่งคําอธิบายทั้งหลายแหลที่เอามากล่าวนี่นะครับบางอย่างก็หยิบยกเอาข้อความจากคัมภีรอื่นๆเช่นคมภี์ปฏิสัมพิธามมรรคคำภีร์วิพัง์แล้วก็คัมภีร์อื่นๆมากล่าวประกอบด้วย เพราะฉะนั้นตามพยัญชนะจึงไม่ไม่ตามอิติวุตกะทุกบทนะครับทุกคำไม่ได้ไม่ได้ตามนั้นหมดเพราะฉะนั้นข้อความที่อาจารย์อื่นๆที่แปลในที่อื่นเห็นว่าชัดเจนก็เอาข้อความในที่นั้นๆมากล่าวมาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเอ๋บางท่านอาจจะสงสัยว่าพอฟังแล้วไปเปิดเทียบตามไม่เห็นเหมือนกันเลยไปเอาที่ไหนมาที่จริงแล้วขอให้รู้เถอะว่าเอามาจากหลายๆแห่งเรียบเรียงแล้วก็เทียบเคียงกับภาษาบาลีด้วยเอา จากอัธกะถาปรมธธัทิตปณีของอุทานในสุปวาสาสูตรมามาก่าวด้วยนะครับแล้วก็เอามาจากคำว่าตถาคตจากคำพีอื่นๆด้วยนะครับเช่นคำพีป ฏ, พปฏิสัมพิธาเป็นต้นนั่นเองนะครับก็เอามาจากหลายๆแห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาก็ควรที่จะใคร่ครวญแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลจากคำพีอื่นๆด้วยนะครับ อันนยะแห่งการกล่าวพุทธคุณบทว่าตถาคตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้